สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตสุภาษิตในวันนี้บทที่23ครับข้อที่9จนถึงข้อที่สิโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าอย่าพูดให้คนโง่ได้ยินเพราะเขาจะดูหมิ่นปัญญาแห่งถ้อยคําของเจ้าอย่าโยกย้ายเสาเขตเก่าแก่หรือเข้าไปในไรนาของคนกําพร้า พระผู้ไถ่ของเขาแข็งแรงเพราะว่าจะว่าคดีของเขาต่อสู้เจ้าจงเอาใจของเจ้ารับคำสั่งสอนและเอาหูของเจ้ารับถ้อยคำแห่งความรู้อย่ายับยั้งการตีสอนเสียจากเด็กถ้าเจ้าตีเขาด้วยไมเรียวเขาจะไม่ตายถ้าเจ้าตีเขาด้วยไมเรียวเจ้าจะช่วยชีวิตของเขาให้รอดจากแดนผู้ตายบุตรชายของเราเ อ, อ๋ย ถ้าใจของเจ้าฉลาดใจของเราเองก็จะยินดีวิญญาณของเราจะเปรมปรีเมื่อเริ่มฝีปากของเจ้าพูดสิ่งที่ถูกต้องพี่น้องครับตั้งแต่บทที่ 22, ข้อ22่เป็นต้นมาเราได้เรียนรู้ตั้งแต่ถ้อยคาที่หนึ่งเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อวานนี้ไปถึงถ้อยคาที่แและเช้าวันนี้เราอยู่ในถ้อยคาที่9ครับ ถ้อคําที่9หรือประโยคหรือคําสอนที่9ก็คือท่านกําลังบอกว่าการพยายามที่จะสอนคนโง่คือคนที่ใจดื้อดึงใจรั้นไม่รับฟังถือว่าเป็นการเสียเวลาเปล่าครับเพะะน้นความพยายามที่จะสอนคนโง่ถือว่าเป็นการเสียเวลาเปล่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาจะไม่ฟังเขาจะไม่ฟังปัญญาเขาจะไม่มีความเข้าใจ เขาไม่มีความถ่อมใจที่นี่บอกว่าอย่าพูดให้คนโง่ได้ยินเพราะเขาจะหมิ่นปัญญาแห่งถ้อยคำของเจ้าเขาจะดูหมิ่นครับยะโสคนโง่นี้มีสิ่งที่ติดตัวเขาเสมอก็คือการไม่เชื่อการไม่ฟังและความหยิ่งยะโสเพราะว่าเขาจะดูหมิ่นปัญญาแห่งถ้อยคำของเจ้าหูของคนโง่ปิดก็เทียบเท่ากับว่าใจของเขา เพราะฉะนั้นไม่ต้องพยายามครับที่จะกล่าวถ้อยคำแห่งปัญญาให้กับคนโง่ฟังคนโง่นั้นเป็นคนประเภทหนึ่งที่ปฏิเสธถ้อยคำของพระเจ้าถ้อยคำที่จะกล่าวนะครับนี้ก็เป็นถ้อยคำของพระเจ้าเช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้อยคำแห่งสติปัญญานั้นเป็นถ้อยคาที่มาจากพระเจ้าของพระเจ้านั่นเองพี่น้องครับ การพยายามที่จะสอนพระวจนะของพระเจ้ากับคนที่หยิ่งยะโสกับคนที่ไม่ฟังกับคนที่ใจปิดก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นกันครับเพราะว่าเขาจะปฏิเสธปัญญาของพระเจ้านะเพราะฉะนั้นการสอนสิ่งต่างเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียเวลาไปเปล่าๆอย่างไรก็ตามครับพี่น้องครับพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้คนได้ ขอว่าเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีคนที่ฟังพระเจนะของพระเจ้าเชื่อพระวจนะของพระเจ้าและยกย่องนับถือสิทธิอํานาจของพระคมภีร์ต่อไปข้อ10และข้อ11นั้นถือว่าเป็นประโยคที่10หรือถ้อยคําที่10นะครับถ้อยคําที่10นี้ก็กล่าวว่าอยายโยกย้ายเสาเขตเก่าแก่หรือเข้าไปในไรนาของคนกําพร้า เพราะพระพุทธไถ่ของเขาแข็งแรงพระองค์จะว่าคดีของเขาต่อสู้เจ้าเพียงครับตรงนี้ก็มีส่วนคล้ายกับบทที่22เข้า22นะครับหมายความถึงการขโมยที่ดินของเพื่อนบ้านการขโมยที่ดินของเพื่อนบ้านโดยการโกงครับและพิธีการโกงก็คือว่าย้ายหลักเขตย้ายหลักเขตซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีการแย่งที่ดินของลูกกําพระและหญิงไม้ ก็จะเลวร้ายแย่ yeah, ยิ่งกว่าพระเจ้าทรงห่วงใยเด็กกำพร้าและหญิงไม้ครับและสอต่อสู้กับคนที่แย่งชิงแย่งชิงหรือคดโกงเพื่อที่จะได้มาซึ่งพื้นที่อีกนิดหนึ่งนะครับการย้ายหลักเขตหมายความว่าการโกงที่ดินคำว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ไทยหมายถึง เป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้และญาติสนิทเป็นเหมือนญาติสนิทของเขาครับพี่นงครับพระเจ้าจะไม่อยู่ฝ่ายคนที่คดโกงแต่พระเจ้าจะช่วยฝ่ายผู้เสียหายครับคนที่เป็นที่ไร้ที่พึ่งคนกำพร้าและหญิงไม้พี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าเป็นผู้แก้แค้นแก้แทน ที่ช่วยกู้คนที่ไม่มีทางป้องกันตัวเองและเห็นได้ชัดนะครับว่าพระเจ้านั้นเป็นญาติกับผู้ที่เสียหายครับเป็นคำเตือนอีกคำเตือนหนึ่งของการเอาเปรียบผู้ที่ไม่มีทางป้องกันตัวเองพี่น้องครับโดยพื้นฐานแล้วอย่าลืมครับว่าคริสเตียนนั้นเราจะต้องไม่โกงกันในขณะเดียวกันครับไม่เอาเปรียบและก็ไม่ถือสิทธ ว่าฉันใหญ่กว่าเพื่อที่จะได้เอาเปรียบคนอื่นๆที่ด้อยกว่าเราจบถ้อยคำที่10ไปแล้วนะครับในข้อที่15ครับก็เป็นเหมือนกับอินโทรดักชันบทนำไปสู่ถ้อยคำที่11ครับข้อที่15นั้นบอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยถ้าใจของเจ้าฉลาดใจของเราเองก็จะยินดี นั่นหมายความว่าหากใครก็ตามที่ปรารถนาที่จะทำให้พระเจ้าทรงพอพระทยัยชีวิตของเราจะต้องประกอบด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าครับต้องรับเอาคำสั่งสอนและพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในตัวของเรานั่นแหละครับถือว่าเราเป็นคนฉลาดและจะทาให้พระเจ้าทรงพอพระทยัยต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่ถ้อยคำที่11เอ็ดครับถ้อยคําที่11บเอ็ดนั้น ประเด็นก็คือเด็กต้องการการลงวินัยครับคำว่าเด็กต้องการการลงวินัยก็คือว่าเด็กมีความจำเป็นที่จะต้องรับการลงโทษทางกายภาพโดยใช้ไม้เรียวครับการลงโทษนั้นมีหลายอย่างเราอาจจะลงโทษและแก้ไขให้ดีขึ้นทางศิลธรรมทางการประพฤติพฤติกรรมต่างๆด้วยคำพูดนะครับหรือการกระทาทางกายภาพที่นี่เน้นครับว่า ด้วยไมเรียวเป็นการลงโทษทางกายภาพพี่น้องครับการลงโทษเช่นนี้ได้รับการยอมรับในพระกมพีแม้ว่าในทุกวันนี้อาจจะไม่ได้ยอมรับการยอมรับในเชิงของการศึกษาหรือในเชิงกฎหมายแต่พี่น้องครับพระกมพีได้ให้คำจำกัดความของไมเรียวอย่างชัดเจนว่าคือการลงโทษทางกายภาพครับเพราะฉะนั้นไมเรียวนี้ ถูกใช้ในแง่ของนามธรรมก็ได้เล็งถึงการลงวิทย์ใทุกรูปแบบพี่น้องครับการตีนั้นอาจจะทําให้พ่อแม่รู้สึกเหมือนลูกเจ็บเหมือนจะตายจากไปแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ครับเพราะว่าไมเรียวนั้นจะช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากความตายฝ่ายร่างกายได้นี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับและคุณพ่อคุณแม่เองก็จะต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่าคิดว่าพระกัมภีร์นั้นล้าสมัยพี่น้องครับ นักปราศหรือพะจะนะของพระเจ้านั้นได้สนับสนุนการตีสอนครับและการตีด้วยไมเรียวนั้นก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เด็กทำผิดต้องตีนะครับแต่การตีด้วยไมเรียวนั้นเป็นรูปแบบของการสอนอีกแบบหนึง่งที่ถูกสนับสนุนในสุภาษิตครับมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ถูกใช้พี่น้องครับในการตีสอนหรือในการกักบริเวณหรือในการว่ากล่าวตักเตือน หรือให้แยกไปอยู่ตัวคนเดียวชั่วคราวนะแล้วก็ยังมีการแก้ไขอย่างอื่นทางกายภาพหลายอย่างครับซึ่งจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมว่าในสถานการณ์ต่างๆนั้นเด็กอายุของเด็กพฤติกรรมของเด็กอารมณ์ของเด็กที่แตกต่างกันสิ่งเหล่านี้ครับก็จะทำให้เราแน่ใจว่าเราจะต้องใช้วิธีการนะครับลงโทษทางกายภาพชนิดไหน นะครับกับเด็กชนิดไหนนี่ครับคือสิ่งที่สำคัญพ่อแม่ที่มีสติปัญญานั้นจะต้องใช้การลงโทษทางกายภาพได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นและเหมาะสมอย่างไรก็ตามครับหากว่าเราใช้ไม้เรียวหรือใชก้การลงโทษทางกายภาพหลายๆชนิดจะต้องใช้ด้วยความอบ ด้วยความรักนะครับด้วยการที่ให้เกียรติกับเด็กเช่นเดียวกันการกระทําใดๆที่ไร้ซึ่งความอบอุ่นเป็นการกระทําที่เกิดจากการโกรธเคืองหรือการไม่รู้จักบังคับตนของคุณพ่อคุณแม่นะครับก็จะทําให้ผลของการลงโทษนั้นไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ต่อไปครับข้อิบหาครับเป็นถ้อยคํา ที่สิบสองข้อ15บสกล่าวว่าบุตรชายของเราเอ่ยถ้าใจของเจ้าฉลาดใจของเราเองก็จะยินดีวิญญาณของเราจะเปรมปรีเมื่อริมฝีปากของเจ้าพูดสิ่งที่ถูกต้องเป็นนะครับถ้อยคำที่สิบสองนี้แสดงว่าบุตรที่ฉลาดครับลูกที่ฉลาดมักจะเรียนรู้นิสยัยใจคออุปนิสยัยวิัยจากคุณพ่อคุณแม่นะครับข้อความนี้จริงครับ ที่ว่าลูกที่ฉลาดทําให้ใจของพ่อแม่ยินดีนะครับใจของพ่อแม่ยินดีก็คือว่ามีความภาคภูมิใจมีความชื่นอกชื่นใจพี่น้องครับสติปัญญานั้นควรจะนํามาคิดไข้ครวนนะครับแล้วก็ฝังไว้ในใจของเราและเช่นกันครับหัวใจของคุณพ่อคุณแม่ใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ครับ ส่วนภายในของเราเนี่ยนะครับส่วนลึกภายในชีวิตของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับรวมทั้งอารมณ์สติปัญญานะครับจิตใจที่ฉเฉลียวฉลาดมีพระวจนะของพระเจ้าจะถูกเปิดเผยออกมาเป็นคําพูดเป็นคําสอนที่ดีครับเพียงครับตรงนี้บอกว่าถ้าใจของเจ้าฉลาดใจของเราก็จะยินดีวิญญาณของเราจะเปรมปรีเมื่อลิมนีปากของเจ้าพูดสิ่งที่ถูกต้องพี่น้องครับคุณพ่อบนสวรรค์คือพระบิดาของเรานั้น พระองค์ก็จะยินดีครับพระองค์ก็จะเป็นปรีครับถ้าเราพูดในสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรนี่คือพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยพี่น้องทุกท่านรวมทั้งผมด้วยในการที่เราจะทําตามพระเจนะของพระเจ้าแม้ว่าหลายหลายครั้งทีเดียวพระเจนะของพระเจ้าสอนเช่นนี้เราเองอาจจะทําไม่ถึงครับแต่ขอให้อย่าท้อใจเราจะต้องเป็นผู้ที่พระเจ้าช่วย ให้เราสามารถทำตามที่เราได้เรียนรู้จากพระองค์ในทุกๆวันได้อเมน